3.9 ก้ากาลยานามิตรและโยนิสโสมณสิการเป็นบุพนิมิตของอริยมรรควงเล็บเปิดหพฤษภาคม2550จุดจุดนาทีสิบวงเล็บปิดการมีโยนิสโสมณสิการและมีกาลยานามิตรจะได้สัมมาทิฐิโยนิสโสมณสิการคือเราแยกคายในการสังเกตยอย่างเราเห็นกิเลสเราก็เกลียดมันทุกทีนะดูไปดูไป กิเลสจะมาก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ชักแยบคายแล้วดังนั้นความแยบคายเนี่ยเรารู้จักสังเกตมันให้ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สังเกตนอกลู่นอกทางไปถ้าโยนิสงมณสิการจริงๆนะมันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนบางทีเราก็สังเกตดูว่าตัวนี้มันเป็นอะไรมันมาได้อย่างไรมันเพราะอะไรค่อยๆดูไปดูอย่างใจเย็นๆไม่ใช่คิดนะคิดแล้วฟุ้งซ่าน ดูแบบมีสภาวะรองรับไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะเข้าใจความจริงอย่างเราดูจิตใจเราวันนี้ก็ดีๆอยู่ฉับพลันก็ไม่ดีอย่างนี้เราดูไปแล้วคิดว่าทำไมมันไม่ดีอันนี้ไม่มีโยนิโสมนาสิการแล้วถ้ามีโยนิโสมนาสิการจะเห็นว่ามันแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูนะแสดงความเป็นไตรลักษ์บังคับไม่ได้ให้เราดูอีกอันหนึ่งคือกัลยาณมิตรเราอยู่กับผู้มีสัมมาทิฏฐิ เราก็จะได้สัมมาทิฐิถ้าเราอยู่กับพวกมิจฉาทิฐิเราก็จะได้มิจฉาทิฐิมาเพราะฉะนั้นอาศัยโยนิสโสมนัสิการแต่โยนิสโสมนัสิการจะเกิดได้เราต้องได้ฟังธรรมมาแล้วจนกระทั่งเราสามารถมองอะไรในมุมมองที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นมองทุกอย่างอย่างวิพั์คือแบบจำแนกหรือมองสิ่งทั้งหลายด้วยความเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้มองถูกตรงหลักของอริยศาสตร์ อาศัยการที่ได้เรียนรู้มาแล้วมีโยนิสโสมนัสิการประคองตัวไปถ้าไม่มีกาลยานามิตรนะโยนิสโสมนัสิการสําคัญที่สุดเลยลําพังพวกเราเองอาศัยโยนิสโสมนัสิการนี่ไปไม่ถึงที่สุดหรอกโยนิสโสเองไม่ได้มันได้แค่มนสิการคือพิจารณาไปเรื่อยคิดไปเรื่อยโยนิสโสมนัสิการมันเกิดได้เพราะเคยฟังธรรมมาแล้วไปมองได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อเคยเป็นไปอยู่ในความว่าง ใจมันว่างไปหมดแล้ววันนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ก็ว่างชะรอยจะนิพพานแต่ว่าเราไม่ใช่งมงายเราค่อยๆดูของเราไปไม่รีบร้อนว่าเป็นพระอรหันนะพระอรหันอะไรยังสงสัยว่านิพพานหรือไม่นิพพานนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปวันหนึ่งจะเห็นตัวผู้รู้นี่มองได้หน่อยๆแสดงว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วก็ต้องมาสังเกตต่อว่าทําไมเราไปพลาดตรงไหนค่อยๆสังเกตดูไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นความแยบคายที่จะสังเกตตัวเองไม่ใช่ดูแบบซื่อบือ้อต้องดูแบบใช้สติใช้ปัญญาใช้การสังเกตตัวนี้สำคัญถ้าขาดโยนิโสมณสิการนะตัวนี้เดินยากที่สุดเลยพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นมันมีแสงเงินแสงทองขึ้นก่อนที่แรกแสงเงินก่อนฟ้าจะขาวๆต่อมาก็เป็นแสงทองฟ้าจะเริ่มแดงๆถ้ามีแสงเงินแสงทองขึ้นก็เป็นบุพภณิมิต เป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กําลังจะมาการยานามิตรเป็นเครื่องหมายแรกเป็นบุพนิมิตของอริยมรรคอีกที่หนึ่งก็สอนนะโยนิโสมนสิการเป็นบุพนิมิตของอริยมรรคทีนี้พวกเราก็อาศัยการยานามิตรครูบาอาจารย์เราฟังธรรมฟังแล้วแค่นี้ไม่พอเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องมีโยนิโสมนสิการหลวงพ่อผ่านมาได้ด้วยโยนิโสนะหลวงพ่อไม่ได้ไปเกาะแข้งเกาะขาอาจารย์ ไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนี่เรียนสองครั้งเองครั้งที่สามไปกราบท่านท่านบอกว่าไม่ต้องมาแล้วให้ไปช่วยตัวเองได้ไม่ต้องมาหาท่านเวลาที่เหลือนี่สังเกตแต่ไม่ใช่สังเกตจนฟุ้งซ่านความพอดีของมันยากที่สุดที่จะเข้าใจนะคําว่าโยนิโสมนัสิการนะแปลยากถ้าแปลแบบปริยัดหมายถึงการพิจารณาอย่างแยบขายหาเหตุหาผลจนรู้เหตุรู้ผลรู้สภาวะรู้สิ่งต่างๆ คล้ายๆการคิดความจริงแล้วมันเป็นการกึ่งกึ่งคิดกึ่งๆึ่งสังเกตคล้ายๆการวางใจให้ถูกมุมเหมือนกับการวางใจให้ถูกมุมมณสิการเป็นการวางใจนะวางใจให้ถูกแก่ถูกมุมมองให้ถูกมุมเช่นจิตไม่ดีทุกวันเลยทำอย่างไรจะดีอันนี้มองไม่ถูกมุมแล้วถ้ามองถูกมุมก็คือจิตมันไม่ใช่เราเนี่บังคับให้มันดีไม่ได้นี่มองถูกมุมแล้ว ภาษามนุษย์นะบางทีถ่ายทอดธรรมะถ่ายทอดสภาวะยากอย่างโยนิโสนี่ถ่ายทอดยากมากเลยค่อยๆดูเอานะสังเกตว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดแต่เดิมก่อนจะสังเกตทีแรกมันจะสังเกตก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนจิตของคนบางคนแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันดับไปก็พอใจแค่นี้แล้วบางคนไม่พอใจต้องรู้เยอะกว่านั้นอีกว่านี่มันอะไรนะ ถ้ามันยังไม่พอใจนะมันจะเคล้าเคลีย์วนเวียนกลับมาศึกษาอยู่อย่างนี้เวียนอยู่อย่างนี้พอเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วจะเริ่มสงสัยต่อว่ามันมาทำอะไรของมันมันมีบทบาทอะไรนะจะเวียนไปศึกษาบทบาทหน้าที่ของมันว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำอะไรได้บ้างแค่นี้ยังไม่พอใจสุดท้ายแล้วอยากรู้ว่ามันมาได้อย่างไรไอ้ตัวสภาวะอันนี้เกิดได้อย่างไรใจมันจะไปค้นนนะ พอแจ้งปิ้งก็อ๋อเพราะอย่างนี้เองรู้แจ้งแล้วคราวนี้ไม่สนใจแล้วตัวนี้มาก็ยอมเห็นว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบางคนมันเหนื่อยนะบางคนมันเห็นแค่ง่ายๆว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับก็ยอมแล้วบางคนไม่ได้ต้องคน้นคว้าสิ่งที่ค้นมานะจะเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลักคณาที่จะตุกะ คือองค์ประกอบสี่อย่างของสภาวธรรมแต่ละอย่างองค์ประกอบสี่อย่างซึ่งมีลักษณะเป็นเบื้องต้นลักษณะก็คือมันมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรที่เรียกว่าวิเศษลักษณะเช่นความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองความโลภหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนี่ลักษณะที่จะตุ ก, กะตัวที่หนึ่งความโกรธนี่เกิดขึ้นมาแล้วทําหน้าที่แผดเผาจิตให้ ร, ร้าเรอนอยากทําลายอยากผลักนะเกิดขึ้นมาแล้วมีผลอย่างไร พอมันทำงานได้แล้วมันมีผลอย่างไรสุดท้ายคือทำไมมันถึงเกิดถ้าใคร่ครวญมากอย่างนี้ก็โยนิโสเยอะไปหน่อยเหนื่อยแต่บางคนมันต้องทำถ้าไม่ทำใจไม่ผ่านจะเวียนกลับมาพิจารณาตรงนี้หลวงพ่อเป็นคนชนิดนี้อะไรอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีปล่อยให้ผ่านค้นคว้าพิจารณาอยู่นั่นมาถึงวันนี้มันเลยได้ใช้ใครมาถามอะไรที่ผิดผิดนะ เคยผ่านมาแล้วแทบทั้งนั้นน้อยนะน้อยมากเลยที่พวกเราถามแล้วหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่เคยเห็นไอ้ที่มันไม่เอาไหนนะมันผ่านมาเยอะลองผิดมาเยอะลองถูกไม่มีหรอกพอหยุดลองเลยถูกเลย